สวัสดีครับท่าน YouTube ช่อง Face Thai Story ครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ หรือทั้งเกิดเมื่อวันสุขเดือนสิงหาคมแก้วจันทร์ท่านเกิดเมื่อวันศุกร์เดือนสิงหาคมพุทธศักราชแก้วจันทร์มารดาท่านเสีย มีนอกจากนั้นได้เรียนกับพระอาจารย์ทองเท่าทางวิชาคาถาคมเบื้องต้น 20 ปี เขาได้ศึกษาเล่าเรียนพระ 6 พรรษาแล้วก็ลาแก้วจันทร์มีบุตรชายหญิงรวม 4 คนจน 2506 พระอาจารย์นำก็ พระอาจารย์นำจึงรับว่าหากหายป่วยแล้ว 5 กรกฎาคมพุทธศักราช 2506 จากนั้นท่าน ก็มีลักษณะคล้ายๆกับหลวงพ่อวิริยังศรีอินทโรครับซึ่งเป็นศิษย์สายหลวงปู่มั่นซึ่งผมก็เคยครับท่านก็มีอาการป่วย 96 ปีแล้วครับสําหรับ เครื่องรางของขันจํานวนมากทั้งที่สร้างด้วยตัวท่านเองเช่นในปีพุทธศักราช 2483 ร่วมกับพระ 2512 สร้าง ในปีพุทธศักราช 2513 สร้างพระปิดตาเนื้อชินตะกั่วปี พระอาจารย์นำท่านอาพาธนะครับในปีพฤศจิกายน 2519 ถึง 2520 และท่านก็บรรลุ 2520 สิริรวมอายุนั้นก็มีว่าในปี 2515 ในหลวง พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระอาจารย์นัมชินวโรพระอริยสงฆ์แดนใต้อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนศาลาอำเภอควนขหนุนจังหวัดพัทลุงพระองค์เสด็จพระราชดําเนินทรงยกช่อฟ้าพระ พระมหากุอุทัยครับเจ้าวาตวัดดอนศาลาได้ถ่ายทอดเรื่องราวในหนังสือประวัติพระอาจารย์นำมันถึงไปว่าในหลวง มาจากการที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์ 2512 เมื่อครั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ภาพยนตร์และโลน ครอบจนก็สามารถสร้างกำไรเป็นจำนวนมากพระ 9 ครับเพราะ 9 นั้นที่พระองค์ยังหนุ่มอยู่ และพระองค์ก็ได้ตรัสถามหลวงพ่อนั้นเพราะโบสถ์หลังเก่ากําลังจะพังและต้องการจะดําเนิน พุทธศักราช 2513 สร้างแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2515 จากนั้นได้มีพิธียก 2515 ในหลวงราชการที่ 9 2519 พระอาจารย์นําได้นําความกราบบังคมทูลในหลวงว่าพระ และทําพิธีฝังลูกนิมิตพระองค์ทรงตรัสบอกพระอาจารย์นําว่าสําหรับพระอุปัชฌาย์พระองค์ท่านจะเป็นผู้เขียนบาทถวายในการแลแลแล 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2519 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครับพระองค์ก็เสด็จมาทํา 2520 สิริรวม นี่ก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์อันนึก 9 พระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระๆท่านคง สัปดาห์นี้ก็มีเรื่องราวสั้นช่อง YouTube ช่อง Face Story ครับแล้ว Facebook ครับที่เพจภารกิจ